อนาปติวนันพิชชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1089งพัิกษณีบวชให้สิกขามานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมข้อตลอด2ปีที่ส่งสมมุติแล้ว 2. องพิกษณีวิกลจริต 3. าพิกษณีต้นบัญยัตสิกขาบวที่4